เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนอสีลับบา ร, รมีมาตามลำดับซึ่งเมื่อกล่าวโดยปริยายแล้วก็คือการสำรวมระวังกายวาจาแต่ว่าผู้ที่สำรวมจริงๆก็คือใจเพียนแต่ว่าอาการละเมิดสีนั้นปรากฏแก่สายตาและการได้ยินได้ฟังของบุคคลอื่น เราจึงมักพูดว่าเป็นการสงบกายสงบปัจจแต่ที่จริงถ้าปัจจเราไม่สงบอาการของศีลก็ปรากฏไม่ได้สีลที่นำมาเสนอตามระดับนั้นปึงสังเกตว่าเป็นปริยายในการแสดงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มของบุคคลจะมีสถานะในพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน เราแบ่งกลุ่มพุทธบริษัทออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีบทบัญญัติที่เรียกว่าอาคาริยบินัยคือวินัยของผู้ครองเดือนมาความว่าเป็นวิถีชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปเพียงแต่ว่าทำยังไงให้คนเหล่านั้นสามารถควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่ครองชีวิตแล้วสร้างปัญหาให้แก่ตนเองสร้างปาัญหาแก่บุคคลอื่นจนึงถือว่าเรื่องใหญ่ที่สุด รองลงมาก็คือว่าทำยังไงเขาจะไม่สร้างปัญหาแก่คนอื่นขึ้นไปกว่านั้นก็คือทำยังไงเขาจะไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองซึ่งตรงนี้ที่จริงมันเชื่อมโยงระหว่างศีลกับสมาธิไปแล้วแต่ก็แสดงให้เห็นถึงลาดับขั้นตอนของการพัฒนาจิตปัญญาของมนุษย์ตามโครงสร้างของบารมีธรรมที่จริงบารมีธรรมก็คือกุศลธรรมทั้งปวงนั่นเอง แต่ว่าการมาเกาะกลุ่มเป็นรูปของบา ร, รมีซึ่งเมื่อเราศึกษาไปเพียงสามสีข้อก็จะเห็นชัดว่า้องกบหมดแล้วกุศลธรรมส่วนเหตุทก้งหมดนั้นก็ อ, อยู่ในกลุ่มของบา ร, รมีเหล่านี้ที่เองวันปริยายของศีลซึ่งเป็นสิ่งที่โลกก็สัมผัสได้ต่อีการจําแสดงแสดงไว้โดยวิจิตพิสดารวันก่อนมาพูดถึงกลุ่มของศีลนักปวด ซึ่งก็มีอยู่เพียงสีข้อก็ได้กลุ่มศีลนั่งสีข้อนั่นเองถ้าหากว่าเกิดวิบัติไปท่านก็เรียงเป็นสี่เหมือนกันแต่ว่าถือว่าเรียงที่ค่อนข้างแปลกคือจากการสังเกตในพระบา ล, ลีนั้นเอาความวิบัติระดับทิฏฐิไว้ข้อที่สามก็เรียกว่าศีลวิบัติคือความวิบัติของศีล ก็มีอยู่สองช่วงใหญ่ช่วงหนึ่งก็คือวิบัติเดือขาดจากพระไปเลยช่วงหนึ่งเป็นความบกพร่องของศีลที่สามารถแก้ไขแต่ยังไม่แก้ไขในขอ้อนั้นชื่อว่าท่านวิบัติไปในช่วงที่สองเขาเรียกว่าอาชีววิบัติอาจารวิบัติคือความประพฤติ การปฏิบัติตนของท่านมีความบกพร่องไปไม่เหมาะสมแกสถานะของท่านเองบ้างไม่เหมาะสมแกกาลเทศะบุคคลบ้างคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เสียในด้านอาจาระแต่ว่าบางครั้งเราไปอยู่ในบางที่บางแห่งนี่มันเสียหายอยนะเช่นสมมติว่าเราเป็นพระแล้วนั่งรักข่าอยู่ในห้องเราเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือไม่ได้ผิดบาปอะไร แต่ถ้าเราไปนั่งรักข่าวไปในบ้านหรือนั่งรักข่าวในที่สาธารณะมันก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะในเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจารบวิบัติมันเป็นการปฏิบัติสํารวมระวังให้เหมาะควรแก่สถานภาพของตนเองและในกรณีนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระภิกษุภษิสูจ น, นีส ม, มเด็จสมเด็จรีแต่กระจายทั่วไปถึงพุทธบริษัททั้งหลาย ที่จะต้องรักษากริ ย, ยามรญญาตจะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพระธรรมจารีตแบบแผนที่เหมาะควรแก่กรณีดั น, นั้นระยะบางครั้งมันไม่ได้ยาวอะไรเป็นระยะเวลาสั้นๆเช่ น, นาการเสด็จมาของเชื้อพระวงศ์หรือเจ้านายผู้ใหญ่ในการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชอะไรเงี้ยมันก็มีรูปแบบที่ยึดถือประพุทธปฏิบัติกันมา ก็เป็นช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายที่เป็นองค์รวมถามมาเสียหายสากลไหมไม่สากลหรอฮะนันขึ้นอยู่กันขนบขดธทําเนียบในท้องถิ่นเรานะั้นเราเห็นว่าอย่างราชวงศ์ของต่างประเทศแม้แต่ราชวงศ์อังกฤษเองนะฮะก็ไม่ค่อยจะรูหราฟุ่มเฟ้ออะไรตรุกการถ่ายทอดในสมัยที่เจ้าหญิงแด น, นา ที่วงคดนะฮะจะคว้าจ่ายจานแล้วก็มาแค่รถสามคันแล้วก็ไม่ค่อยมีพิธีดีต่อมากนั้นก็เป็นขนบธรรมเนียมประเนนพณีวัฒนธรรมของเขาจารีตของเขาก็กําหนดไว้อย่างไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของตรงนั้นแต่วปิดถูกตามกฎเกณฑ์ที่มีการกําหนดไว้แล้วประการที่สามนั้นเรียกว่าอาชีววิบัติไม่ใช่ ทิ่ฐิวิบัติก่อนนะคือเป็นความคิดเห็นที่วิไปลาคลัดเคลื่อนบางอย่างมันเป็นเรื่องของศีลด้วยจะสมมติว่าการตีความพระวินัยปนญาของพระวินัยนั้นที่จริงพระเจ้าทรงประทานหลักไว้แล้วที่เราเรียกว่ามหาประเทศทั้งสีเนี่ยคือถ้าเราไม่ดันธุรังกันเกินไปไม่มีอะไรขัดแย้งหรอกเพราะพระสัมพันยุตยานั้นลงตัว คือมาเคยตั้งข้อสังเกตเสมอว่าศาสดานั้นเป็นยอดมนุษย์แต่ศาสนิกนั้นมันมีความลดหล้านกันลงมาแล้วก็พื้นฐานจิตอัธยาศัยความรู้สึกศรัทธาต่อศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เรียกว่ามีความยื่งย่อนแตกต่กางกันการตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยจึงมีอยู่เป็นนั้นมากแต่คนเหล่านั้นจะได้ผลเป็นความดีระยะสั้นแต่จะได้ทุกระยะยาว ต่อการมองชีวิตในแง่ของสังสารวัตรคือแง่ของกฎธรรมชาติเนี่ยการเกิดมาแต่ละชาตินั้นเป็นช่วงสั้นๆ น, นิดเดียวถ้าทาให้ดีแล้วก็ปลอดภัยในชาตินั้นนั้นแต่ถ้าทําให้ดีแล้วก็มันเสียหายไปถึงชาติหน้าแล้วเป็นตาบาปที่ลูกหลานรุ่นหลังจะต้องรับเอาไปการระมัดระวังในเรื่องนี้เอาก็จริงมันไม่ใช่เฉพาะชาติ ก็ททำนองคล้ายๆกับเราขับรถเป็นระยะเวลาไม่เท่าไหรอะ่ะเอาตีสะว่าขับรถสักสองกิโลแต่พอดีมันขาดความระมัดระวังประมาทแล้วก็ไปเฉียวไปชนออคนเกิดบาดเจ็บไปล้มตายทีเนี้ยเสียหายมากเลยว่าชีวิตสองขับรถสองกิโลเมตรเนี่ยก็เรียกว่าสักเท่าไหร่ล่ะก็สักสองามนาทีนะฮะแต่ว่ามัน ทำลายอนาคตทางอนาคตทำลายชีวิตทั้งชีวิตเพราะการแสดงความคิดความเห็นบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นความเห็นระยะสั้นแต่พอเห็นไปแล้วเนี่ยปฏิบัติตามที่ตนเหตุเนี่ยมันมีทุกระยะยาวที่อาจารเรียกว่าความเห็นที่เป็นมิจฉาทิจจิตคือความเห็นผิด ผลด้นความเห็นที่วิบัตินั้นก็คือวิปลาสคลาดเคลื่อนจากกฎเกณฑ์ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาจะเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทุกอย่างการพูดทุกอย่างของคนนั้นไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปคนที่ตายแล้วเกิดไม่มี ท่าที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลหรือในรูปตามก็ไม่มีเป็นความเห็นที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิตจิระดับที่บางอย่างก็ปิดประตูสวรรค์นะบางอย่างก็ปิดประตูนิพพานไปด้วยตัวนี้ก็ถือว่าพอคิดผิดมันก็ทําผิดมันก็พูดผิดมันก็ไปได้่อยๆมันกับเหมือนกับรถที่มันฉลาดออกไปแล้วก็ดึงกลับไม่ได้ ก็ตกถนนกลิ้งไปสกีตลบล้วก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวทิวิตคนในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เราสังเกตว่าทิชชิที่วิบัติไปเนี่ยบางครั้งมันค่อนข้างแรงคือหมายความว่าถ้าท่านลดลงมาอีกนิดเดียวฉันพราประสาติที่ถือว่าไอ้วิญญาณมันล่องลอยไป แล้วก็จนถึงกลับไปเข้าไปรวมกับอะไรสักอย่างหนึ่งตามที่ท่านเชื่อนะครับซึ่งถ่านมองในแง่ของภาษาธรรมดาประจับใบที่มีเกตยังมีกรรมก็นําให้ชีวิตต้องล่องลอยไปตามกระแสของกรรมมันก็ไม่ได้แปลกนคือถ้าพูด ร, ระดับของโลกิยะแล้วไม่ใช่แปลกอะไรแต่พอพูดถึงระดับโลกิยะแล้วมันก็ผิด โลกุตระมันผิดโลกุตระระดับนี้ระดับอรหันตนะระดับพระอรหันต์คือท่านพูดเรื่องพระอรหันแต่ว่าท่านอธิบายเป็นระดับของมโลกิยะคือพูดเรื่องคนไม่มีกิเลสแต่อธิบายเป็นเรื่องคนมีกิเลสหรือแม้จะอธิบายว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในดินแดนแห่งแดแห่งหนึ่งชื่อยังไงก็ช่างเป็นความสุขตลอดการยาวนาน เรา่าพูดนิรันดร์ตลอดการยาวนานเนี่ยถามว่าถูกไหมถามว่าพูดเรื่องอะไรละ่ะถ้าพูดเรื่องพระอระหันต์หลังตายก็ไม่ได้แต่มันผิดแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นจากพระอระหันต์ลงมานะใครก็ได้พระนาคามีพระตักกาตาขามีพระโสดบันนี่ว่าลงมาเลยหลังจะตายไปแล้วก็ไปสถิตยอยู่ในดินแดนชื่ออะไรก็ตามเป็นความสุขตลอดการยาวนาน ถามว่าถูกไหมก็ถูกนะแต่ไม่ใช่นิพานที่แท้จริงในความหมายของพุทธศาสานาเท่านั้นเดียวเพราะไอ้ประเด็นทิฏฐิเนี่ยมันมั น, มนบางทีมันก็เฉียวกันอยู่นิดนิดน่ดนอยหน่อยแล้วเกิดไปขาบเกี่ยวกันขึ้นแล้วเกิดสื่อสารไม่ได้บางทีก็ตเตลิดเปิดเปิงไปจนถึงว่า สามารถที่จะกลั่นอาหารของมนุษย์เนี่ยให้เป็นอาหารชิปไปถวายพระพุทธเจ้าในดินแดนอะไรก็ตามเ่ยนะก็เรานึกว่าเราเก่งนะแต่พระพุทธเจ้าไม่เก่งนะ๋ยวถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มีสถ า, สถานะเหมือนกับผีเหมือนกับเจ้าเหมือนกับอะไรที่รอเครื่องเส้นอยู่เทวดายังกินทิพยะสมบัติ เทวดานะยังสเสวยทิพยาอาหารเลยที่ปาอาหารอาหารชิพเลยพระพรหมยังมีปีติเป็นอาหารนะตามกว่าพระพุทธเจ้านะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามันต้องรอให้คนกรร น, น้ำพริกประทูไปให้กินเนะี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลไปยิ่งจริงๆนะแต่ถ้าพูดถึงคนทัว่วไปพูดถึงสามัญชนที่ตายไปแล้วนะเราทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ ถามวาถูกต้องไ้ยก็ถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นเป็นการพูดระดับไหนแต่นั่นเองปณิทิเนี่ยถ้ามันเกิดวิบัติแล้วเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วข้ออื่นเนี่ยจะวิบัติตามไปด้วยเพระาระอะไรพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายที่แสดงออกมาโดยการทำกดีโดยการพูดก็ดีเนี่ยแม้แต่ความคิดความเห็นก็นดีเนี่ยมันก็มาจากจิตใจ คือมาจากเราเห็นอย่างไงเราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็เราทําไปตามที่คิดเราพูดไปตามที่คิดคือมาสืบเนื่องมาจากความเห็นของเราพระนิธิจึงปรากฏเอาไว้ในที่ต่างๆไปดังมากให้เราะมัดระวังอย่ายมันบิบัติจับหลักเอาไว้อย่างสิบข้อที่ว่าเะกี้เนี่ยพระเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสารสูตรแก่หมู่ชนชาวมาบาแปวบ้านมหาสารนะฮะในอภรณากสูตร ทรงแสดงว่าเรื่องทั้งสิบเรื่องนี่มันมีอยู่โดยแท้การให้ทานมีผลการบูชามีผลวิธีกรรมต่างๆมีผลพ่อมีคุณแม่มีคนโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทําทั้งดีทั้งชั่วด้นมีผลสัตว์ที่ตายไปแล้วเกิดนั้นมีท่านผู้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลหรือรู้ตามนั้นมีอยู่พระทรงแสดงว่าใครก็ตามที่เห็นื่อมีความเห็นก็เป็นสมาจิติ ใครคิดว่ามีความคิดก็เป็นสัมมาสังกัปปะใครพูดว่ามีคำพูดก็เป็นสัมมาวาจาใครแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ถือตามเชื่อตามว่าสิ่งทั้งสิบประการนี้มีอยู่เขาชื่อว่ามีวาทะคล้อยตามพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกจะประสบบุญเป็นอนเนก แต่ถ้าพวกที่ค้านเนี่ยความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดก็เป็นมิจฉาสังกปะพูดก็เป็นมิจฉาวาจาแนะนําสั่งสอนบุคคลอื่นในถือตามปฏิบัติตามก็ได้ชื่อว่ามีวาทพเป็นปฏิปักษ์ต่อประหารทั้งหลายในโลกจะประสบบาปรกรรมต่างๆเป็นอันมากพฤิทิฏฐิบางอย่างเนี่ยมันเราไม่มีกําลังมากพอมันต้องเกาะยิงศรัทธาคือเชื่อมั่นในการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าตัวเนี้ยเราไม่รู้ เราไม่ได้สัจสรู้พระเจ้าสัสรู้ก็ว่าไปตามเราก็ได้เจ้าเหมือนกับคนหนึ่งก็กินก็บอกว่ารสชาติเป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่าท่านผู้นั้นก็กินมานะเขาบอกว่ารสชาติเป็นอย่างนั้นนะเราไม่เท็จนะฮะเราบอกตามที่ได้ยินมาแต่ถ้าเราไปปฏิเสธทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้กินก็แสดงว่าเราเท็จ ด, ด้วยประสบบาป ก, กรรมเพราะการพูดเท็จ ข้อต่อไปนั้นก็คืออาชีววิบัติหมายความว่าการประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพเนี่ยมันการแสวงหาการได้มาการถือครองการริโภคใช้สอยการจำแนกแจกจ่ายต่างๆเนี่ยมันไปมีปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอาชีววิบัติแต่วิบัติที่แรงเนี่ยคือว่าการแสวงหาการได้มาการครอบครอง าการไปพบแค่สอนเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยนะเช่นสมมติว่าโยมเอาของหนีภะสีมาถวายพระรพระจะไปรู้ได้ยังไงก็ทํามาเป็นอาหารเนะี่ยพระก็รับพระก็ฉันไปตามปกติพิสัยแต่ถ้ารู้เนี่ยไม่ฉันหรอกแต่ปัญหาว่าบางทีเราไม่รู้จริงๆก็ต้องฉันไปนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า อาชีววิบัติมันจึงหนักไปในช่วงของการสแสวงหากับการครอบครองสิ่งที่ได้มาในทางไม่ชอบธรรมและการบริโภคแคเอ่การการได้มานะฮะการครอบครองสามชุมการครอบครองมันก็เหมือนกับการสแสวงหาเห็นไหมเหมือนกับมียาเสพติดไว้ในครอบครองก็ผิดจำนายจ่ายแจากการเสพติดมันก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่ายาเสพติดนั้นผู้บริโภค ผิดด้วยซึ่งเรามองอีกทีหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะไอวิจนายานบางอย่างเนี่ยมันต้องคิดเหมือนกันวันก่อนไปดูข่าวเล็กๆแต่ไม่ได้อ่านอ่านผ้าถั่วคืออ่านแล้วมันฟอ่อประเด็กเล็กๆอายุเท่าไหร่สิบเท่ไ่สิบเอ็ดขวบอะไรเนี่ยแม่ก็เป็นเอจยายก็เป็นน้ำมาพาดเด็กก็ดิ้นรนหาสตาร์มาเลี้ยง ผลทุกทายก็ต้องไปขายยาเสพติดเด็กขนาดนั้นมันไม่ประษีภาษาอะไรหรอกแต่แกจะทำยังไงจึงจะได้สตางค์มาเลี้ยงแม่กับยายกนแกตอนนั้นเองแล้วก็จับได้ก็เพียงไม่กี่เม็ดถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ผิดแหละแต่ว่าเด็กอะ่ะมาเด็กยังมีเราอย่งางเขาอย่งางไร้เดียงสาอยู่อย่างที่ข่าวเมื่อ ต้นเดือนที่พูดถึงเด็กที่สหรัฐอเมริกาอายุทารายหกขวบไปยิ่งเพื่อนหครวบตายก็นึกไม่ออกอะเด็ก6กขวบแล้วก็ศึกษาภูมิหลังเนี่ยภูมิหลังเธอแย่มากเลยสภาพแวดล้อมดกคันเธอไม่รู้อะไรมาเกิดทำกลางความมืดบอดจริงๆแล้วเธอบอกว่ามันมันต้องการขู่เพื่อนอะ่ะต้องการขู่เพื่อน แต่ก็จะปืนเป็นปืนก็ลั่นโครงลงไปอันนี้ก็คือคือผู้เยาผู้เค้าเนี่ยคือถ้าเอาเต็มยศกันมาก็ลำบากเหมือนกันนะประมวเรเหล่านี้ที่จริงเนี่ยมันควรจะอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายอนาคตของเธอทั้งอนาคต เกิจะจับมันก็จับไปเลยจับที่มันใหญ่ๆที่แหลงผิดจริงๆไปไล่จับเด็กทีละเม็ดสมเม็ดจูผมก็มก็ถูกนั่นแหละในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ว่านึกถึงวิจารณาญาในเรื่องบางเรื่องไม่เป็นเรื่องต้องคิดนะต้องคิดคือว่าการไปบัติงานบางอย่างเนี่ยมันถูกต้องตามอํานาจหน้าที่คือมันเป็นเป็นความรู้สึก รู้สึกซ้อนภาพนะครับเคยรับการนิมนต์ไปในสถานที่หนึ่งในหลวงเสด็จด้วยนะในหลวงเ ส, เ, สเสด็จเปิดงานตรงนั้นเขาก็มานิมนต์เราเขาก็รับเราไปพอถึงเวลาในหลวงท่านเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆนะแล้วก็ให้พระกลับก่อนถนนนั้นเตรียมไว้เพื่อทรงเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่องอีกชั่วโมงกว่านังจึงจะเสด็จ เราก็รถพระเขาไม่ให้ออกไงก็ปล่อยข้าวไปในป่าโอ้ยไปผจนปัญหากันกว่าจะออกถนนใหญ่ได้เนี่ยอาการสาหาัสเลยเราก็นึ ก, กว่าเออเขา น, นิมนต์เรามานะเราไม่ได้มาเองแล้วรถเองก็เป็นคนรถราชการคนขับก็เป็นข้าราชการแล้วคนถนนที่ไม่ให้ไปก็เป็นถนนของราชการแล้วคนที่ห้ามก็เป็นราชการเออมันก็แปลกดีเหมือนกันก็เป็นความรู้สึกที่ ยังมองในแงยของวิจารณญาณการมีิวภารากิจเนี่ยก็ได้อํานาจหน้าที่การใช้อํานาจหน้าที่เนี่ยมันใช่ยังไงที่อาชีวะเราไม่เสียหมายความสถามภาพาการครองชีวิตเราเนี่ยไม่เสียบางทีมันซื่อจนจนมีปัญหาเกิด ไ, ไปที่หนึ่งเหมือนกันกระบะสมุดไปอยู่หัวเสด็จเหมือนกันนะเราก็นิม น, นต์ไปตํารวจไม่เข้า เขาก็เห็นว่าเรามีพัดวางอยู่อนะแล้วเขาก็ทิ้งบนมาในงานตรงนั้นเนะี่ยตารวจแม่เข้าไปอาต ม, มาก็าให้รถจอดแล้วก็หมุนกระจกลงมาบอกว่าคุณไม่ให้ข้าวก็ดีนะอาตมาจะกลับวัดแต่คุณต้องรับผิดชอบนะเขาดีกาหลวงนม่บนอาต ม, มามาอาตมาก็มาแล้วแล้วก็ตาเจ้าหน้าที่ตํารวจแม่ข้าวเลยมาเขากลับวัดเขานิน้งบนทิน้งบนเขาทิ้งบนทิน้งบน อันนี้มันต้องไปพูดต้องไปว่ากันแต่ว่าพระบางองค์ท่านเกรงใจนะะท่านยอมเดินอาตมาไม่เดินอ่ะคือเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาห้ามเราไม่ให้เข้าเพราะเราไม่ได้อยากมาเองเรามาทำหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่อัห น, น้าที่เหล่านี้มันต้องประสานกันต่างคนต่างทําหน้าที่เรามาทําหน้าที่แต่เขาไม่ให้เราเข้าไปทำเดี๋ยวเขามมีสิทธิ์ห้ามเรา ซึ่งเขาเองจะต้องมีวิจารณญาณเพราะเขามาจาัด ก, การจราจร น, นิดหน่อยเท่านั้นเองช่ว ง, งสั้นๆเท่านั้นเองและเราก็มาทํางานช่ว ง, งสั้นๆเพรา ะ, ะการการอาชีวะเนี่ยการไปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่เนี่ยมันมันมีความละเมัดระวังในตรงนั้นคือไม่ใช่บาขีดเส้นตรงลงไปเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นสีถนนชัยมากไปอ่ะนะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่อง ช่วงของการปรารถนาการสแสวงหาการได้มาการครอบครองการไปพวกใช้สอยทํายังไงอย่าให้มีปัญหาตัวอย่างนี้เป็นเรื่องระดับศีลแต่ว่ามันมีความไร้หนีดยิ่งขึ้นนะเพราะว่าถูกคุมด้วยความเห็นคือทิฏฐิไปด้วยซึ่งควาหมายความว่าถ้าทิฏฐิมันเกิดวิบัติไปเนี่ยศีลก็วิบัติความประพฤติก็วิบัติอาชีวะก็วิบัติแต่ถ้าศีลยังอยู่ ไม่ใช่ถ้าทิฏฐิยังอยู่ทิฏฐิยังเป็นสมาธิทิฏฐิอยู่ยังอื่นมาก็ไปได้ดีต้องฟังเท่าไหร่ใต้ร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตัวนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไยบูุ์ในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี